มันเป็นสมาธิเล่มหนึ่งวันนี้มีเพจสองธรรมะนั่นอนแ้วก็ดังมาดูว่าระลองเป็นกับตายให้ดังกันเริ่มมืดแล้วนะตายก็เริ่มมืดเนะี่มองไม่เห็นทางลองเป็นกับตาย เาสู้กันเป็นกับตายบอกควาเป็นความตายลายดีเท่ากันว่างโบราณนันแหละถ้าเทากันเท่ากันมันก็ดีไม่ได้ยันกันไว้ปัญหากันไม่เท่ากันจริงๆธรรมชาติมันก็เท่ากันร่วงเป็นปดวงตายมืดสว่าง มีความเป็นของเราทำอะไรเป็นความใช่ความเป็นไปอยู่พอความตายปรากฏขึ้นกับพวกเราแล้วมันก็จุดสิ้นสุดของชาติคือชาติตายเกิดแต่มานล้วมันไม่ได้สิ้นสุดของการเดินทางของเรามันไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นมันฤทธิ์แค่บรรดาอาศัยขันหามัน ไปต่อไม่ได้บ้านมันถูกพังแล้วยไปหาที่อยู่ใหม่ปิดใจเราไหาที่อยู่ใหม่ในบ้านเก่าเราเคยอยู่ยังไงบ้านือร่างการคนคือใใจิตใจอันนี้จะเข้าใจง่ายนำเงรเราได้พูดกันหัวใจ ไม่รู้ว่าพูดจริงพูดเล่นไปสูดเลยไง ห, หัวใจเรามีสีห้องต้องไปถามคุณหมอหัวใจมันซีห้องจริงหรือเปล่าแต่ละห้องทาที่อะไรแต่ว่าถ้าเราหมอกหัวใจให้คนอื่นไปหมดแล้วเราก็ไม่เหลือหัวใจกับตัวเองอพ่ อ, พอเคยเปรียบเชื่อใป้ฟังที่สุด ใจของคนเราถทาไม่มีเครื่องอยู่คเครืูกเครืมัดมันก็เลื่อนลอย ม, มัใในมีหลักประดิษ์ใจไม่มีหลักมันเราอยู่บ้านไม่เคยเปลียนเปลียนอะไรต่างอยู่เสมอบ้า น, น, นคือที่พักที่อาศัยที่เพิ่งที่อยู่สถานทง่ทำเมืเรือวิหารแปลว่าเครื่อ ง, อ ย, งนนยน วิหารธรรมคือทำรในเครื่องอยู่ของใจใจของเรา ม, มีสีเรื่องนั้นที่เราเป็นเครื่องอยู่ของเราคือหนึ่งคือย่เมตตาเริาสุสารวจิตตาญาดีอุเบกขาวาง ถ้าเป็นหัวใจเราเชียห้องก็อยู่กันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ห้องไหนวันหนึ่งอยู่ห้องไหนมากกว่ากันเมตตาการุณาถ้าเป็นในบ้านถ้าเหมือ น, นกับห้องน้ําห้องท้วมนี่ยให้ถึงการุณาพอไปอกอกจากดูความสงสารไปจัดให้เขาคนจักปุ๊บมีความการุณา เรื่งตัวเองดิเรนมีทุกปลดปลนจากทุกทเทระแาตาแล้วทุกครั้งตอนนี้นมีห้องไหนที่มันสามารถที่จะปลดทุกได้นในบ้านเราก็คือห้องน้ำออก น, น้ำตัวเป็นชมากร่างกายลิก็คือห้องน้ำ น, นี่เองนันขาดไม่ได้ของน้นไปดีปลดเปื้องเทระบายปอมไม่ดีออก เป็นการณามุทิตาห้องรับแขกซึ่งก็จะเป็นจะต้องมีแต่ว่าเรารับแขกทั้งวันมันก็ไม่ไหวคนนั้นไปคนนมาคนนนเข้าคนนี้ออกทั้งวันไม่ได้พักแต่มันไม่พักเจ้าบ้านมานไม่พักมกะก็ายไมแห้งเป็นการณามุทิตาอเอาเบกขาก็คือพักอยังไง คือวางอารมณ์จเป็นในบ้านเราก็ห้องนอนซึ่งตุกบานต้องมีเพื่ออะไรเพื่อให้พักต ร, ราเรบแต่รางวันมาต้องพักเพื่อต้องนอนหลังจากนอนแล้วหลังจากพักแล้วเส่นเรานั่งสมาธิให้จิตมันสงบเพื่อเป็นคณิกะที่ช่วงยาว อยู่ระเดียวประดาวแป๊บแป๊บตานิสก์ไปยังดีจิตมาได้พักนิดหนึ่งเลยอบอุจฉะก็มีสติมันคงรู้ภัสสาวะข้างนอกตลอดเวลาสุวอัปปนานเนี่ยลึกไม่รับรู้อะไรนลยถ้าเป็นคนก็คือง่วงหาวนอนในตานิสก์ อ่ปาปากของเขาเนี่เนี่ยอเมริกาละมันบอกบอกว่าร่างกายมันต้องการพักมันไม่ไหวแล้วอุปรจระแตเนี่ยก็คือรวังกับจิตจิตที่มันยังก่อภพก่อชาติแต่ว่ารวังกับจิตมันมีสติมาถึงเรเวานอนแต่ในขณะที่เรานั่งสมาธิสติมันรู้อสสังน์ ก, ก็รู้เวขนาดวันเง็นเดือนขนาด ส่วน อ, อัปปนาะเ็นกาหลับลึกเลยไม่ฝัน้าคนที่หลับลึกมีจะไม่ฝันจําเห็นภาพออกมาสมาธิเช่นเดียวกันาเป็นอัปปนาสมาธิหันลึกมันได้ักมันจะไม่รับรู้ข้างนอกข้างออกมาจะต้งแต่กายปัสสะอะละเย็ยนรอนออกแก๊งฝนตกฟ้าร้อง แต่มันจะมีความระคือมันนาออกไปข้างนอกอยู่ข้างในมันหลับลึกถ้าเป็นหลับก็จะหลับลึกอันนี้ไมนมันไม่ได้ม่งเฉพาะคนอย่างเดียวครับเป็นทั่วไปสัตว์ก็เหมือนกันเขาก็ต้องการพักที่ไหนหาที่วันเล่นหั้าวันเราพักัูกลางดูกลางแต่มีบางช่วงเขาต้องหลับนึกคือหลับลึกเลยสัตว์สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ เตี้ยช้างเป็นตน้นเขาจะหลับกลางคืนสองสามชั่วโมงก็จะงงแต่หลับลึกจริงๆเนี่าทางส่วนถ้าหลับต่างกันเกี่ยวกันแล้วแต่บางประเภทบางที่เขาก็ยืนหลับนอนบนต้นไม้บนพื้นแต่ถ้าให้หลับลึกต้องราบจริงๆมหอดราบนะสัตว์ประเภทไหนท้าไหนก็ต่ า, นน า, ตาตงคือครั บ, ร บ, รบเป็นช้างเป็นตน้นเวลาเขาจะหลับลึกหลับลึกเป็หลายชั่วโมง พก็ต้องต้องเอาแตะพื้นลานลึกไม่รื้ตัวคือมันได้พักซึ่งจะต้องพักใ mm hmm. นทางร่างกาย ไ, ไรคนก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีกลางคืนเลยหรือเรามีกลางคืนแต่มันไม่หลับเราคนนอนไม่หลับนี่นอนไม่หลับก็เาะว่ามันตื่นตัวตลอดสติตื่นอยู่ข้างนอกอยู่ความคิ ด, ดอะไรก็งุ้งซ่านบางเรื่องแบบ คิดแบบไม่มีสถานีไม่มีทางลงือ ท, ที่ลงมีที่จบพเราคิดนี่เป็นออกจากเรื่องนีไปเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกา่าเรื่องใหม่เรื่องจบไปแล้วยังไม่จบเรื่องยังไม่เกิดครับพยามทาให้มันเกิดอันนี้คือธรรมชาติทั้งคนทั้สัตว์เหมือนกันเรื่อการปลอบกวนก็ มนุษย์กับซาตต่างกันเนี่ยแต่ว่ามันต่างกันตรมนุษย์เ น, นี่ยเรามีสติาปัญญากํากับเราสามารถที่จะประมันพักมันจะมีกําลังมีพลังรวดเช่นข อ, อนามาอุปจาระสมาธิวัจจเศรีกุมาระรู้ข้างนอกในขณะที่เป็นอัปนาสมาธินั้นทุกหนักทุกเบาทีาท่รอยู่มันจะไปรากฏเขาไม่มีเวทานาคนนี้สุขามีธณตุเปรคามี มันมันจะไม่ปวดฉี่ปวดเที่ยวพูดง่ายง่าเนี่ยปวดปวดหนักปวดเบาไม่มีเพราะมันไม่รับรู้ข้างนอกมันจะ่นเรู้ลนะแต่ข้างนอกมันก็ปวดปกติกับเราอเช่นร่างกายเช่นปดเป็นไข่มันก็เป็นไข่แต่เราให้มันเย็นมันก็ไม่ได้แต่ใจมันไม่ได้มันไม่รับรู้กับเรื่องเย็นเรื่องร้นภายนอกแต่จะเป็นอัปนาสมาธิ เด็กว่าอาจาันท่านจะช่ว่ได้นานเน่ยเพราะว่าท่านสามารถที่จะอยู่เดือเวิทยานี้ได้แต่ว่าถอนจีรามารับรู้ขานาดเหมือนเดิมมารัรู้ขานาดก็เจะบปวดเวทนาปกติหรือว่าธรรมชาติสุขเวทนาเบียเวทนาปกติเหมือนเดิมเพราะนั้นปวดหนักปวดเบามันก็เริ่มแสดงออกอาการหนขณะที่เรานั่งอาจจะเป็นช่วงสองโมงสามที่นึง จิตรงรับเลืมันจะรับรู้มันจะปวดปวดภาษาเราไงคือมันไม่มีการปวดที่ปเดียอะนออยไงแต่พอถอนใจออกมาแล้วรู้เขาน่าสัตว์คือสุขาสุขามันทําน้าทีมันก็เริ่มร่างกายมันทําน้าที่แบบอัตโนมัติมันจะขับของของเสียของหนักของเบาที่มีัตอแล้วจะเป็นออกไม่ออกเป็นไม่ได้ธรรมชาติก็ยืนต้องไปทำไม่ได้ นี่เกิดตามชาติของกายโดยตั้ชาติของใจของเรามันก็คล้ายกันทึงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธีเชื่อับดับเวทนานั้นๆได้เรืองใครก็ไม่สามาระจะเอาออกเอาเวทนาออกไปได้เราก็ไปอยู่กับเวทนานเกิดไปผสมลงโดยเพื่อจริงกับปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองที่จะไปเรื่องสำคัญวันนั้นภาคเช้าทีเราพูดกัน คื อ, คอให้พิจารณาเรนี้เป็นหลักก็คือคำว่าเป็นหลักอะไรกันนึกถึงคําของพุณเจ้านึกถึง ค, คำของสมัาจังคําของพุณเจ้าคําของอาจารย์คืออยู่กับปัจจุบันทำไว้สมัยจําไว้เลยเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้เราอยู่ปัจจุบันคือให้ดึงอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเจะสุขหรือทุกข์ หรือว่าเฉยๆก็ให้อยูอ่กับสุกกันนั้นให้อยู่บดให้อยู่กับผู้เปรขานังนั้นได้ก็ให้รูอ้อันนี้คือศุกกันนี้คือเฉยๆการรับรู้เร็วขึ้นรับรู้ตั้งอยูย่พิจารณาเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นสืดับเขาก็ตั้งอยู่เขาก็ดับ เ, เช่นเวทนาเพราะแกล้งปนใจเป็นดั น, นหกกระดูกมันจะหลุดไปจนไหมความร้อนคือเวทนา ขนาดนั้นอย่างนี้ก็ว่าอาปาปีมันได้ที่ถ้าเป็นเผาหรือว่าเผ่าได้ที่ถ้าเป็นเหล็กกับเหล็กมันร้อนแล้วมันพอจิตีิเป็นรูปเป็นร่างเป็นอื่นๆได้ในขนาดที่มันทิบทิมมันไม่ได้มันก็สามารถที่จะดัดเป็นรูปเป็นร่างจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อความเพียรมันถึงวางทีมันพร้อมแต่ที่สําคัญคือสันตติ ความต่อนเนื่องก็มันใช่ไหวเห็นเลยเอยไปกระดับไ ป, ไปมันต้องเห็นสิ่งนอย่างต่อนเนื่องเห็นอะไรก็ตามให้เห็นมันตอนน่นตอนเนื่องต่อเนื่องไปใช้ไหวเห็นจนมันจบเห็นแต่กึ่งกลางกลางเหมือนเราอ่านหนังสืออ่านแค่กึ่งกลางต่างกลางนนหน้าแรกสองหน้าเพราะเราเขยไม่รู้เนื้อหาสาระข้างในเนองเมื่อจเริ่มไม่จบมันไม่จบสักเรื่อง สรุปแล้วทุวันเราอ่านไม่จบสักหนึงหนังสือเรื่องนี้อ่านไม่จบสักหนึเ่เราจึงเชื่อว่าเป็นผู้เสขะคือยังต้องศึกษานะเราเรียกุคคลทั้งหมดที่เป็นประชชนทั้งหลาก็ตามที่ยังไม่จบในสิ่งเราเรียกว่าเสขะบคุบคคลบือคลนี้ต้องศึกษาไปนะั้นเราจะต้องศึกษาตลอดชีวิตนี่คือการศึกษาตลอดชีวิตจากแท้จร เมื่แค่จบแค่เราเรียนเรียนมาก็แล้วจบแล้วไม่จบในลาทำหนังไม่เคยจบลาอไรที่เรายังอ่านตัวเองไม่จบหนังสือเรามนี้ยังอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านตาตัวเองยังไม่จบหูตัวเองจบปากตัวเองยังไม่จบรูร่างตาตาแก่ตาจมยังไม่จบสักเรื่องก็เชื่ออย่างมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกเยอะมีต้องอีกการเรียนรู้อีกเยอะ การศึษาทางธรรมทางธรรมทางธรรมมาจากทางธรรมะธรรมสองคำเป็นคำพร้องคำหนึ่งคือธรรมขอทหารสะละมคือธรรมเหมือนกันธรรมอันหนึ่งคือธรรมขอรออะมานั่นคือธรรมกันคือธรรมะธรตัวแรกตัวทำเพื่อเอาดังัการเกิดการกระทาทุกอย่างที่เราทามาทั้งหมดน นล้วทเพื่อเอาเพื่อไหนทําแล้วเอาแต่ทําตัวทอระระมือธรา ม, ามานะทําเพื่อทิ้งคือไม่เอาเพราะถ้าใครเชื่อว่าจะทําแล้วเอาอยากต้องการในนี้มันเปน็นั้นกิเกรรมพระเอากับทิ้มันจะตรงกันคำทำทอทหารจะอ่านหนานี่คือโลกเขาคือทําเอาคือทำแล้วต้องได้ นี่คือโลกเขาไม่ว่าจะทําอะไรแล้วแต่ผลมันกือต้องได้ได้มากได้น้อยที็นเร่งไม่ได้เลยเขาจะไม่ทํากันเราจึงเรียกสินว่าขาดทุนลงทุนไปร้อยได้ต่ํากว่าร้อยนะ่ะตัดทุนที่จไม่ทํากันเพราะว่าบทประสงค์คือทำเพื่อได้เพื่อเอาแต่ทําคือทํามาทำเพื่อทิ้งทิ้งแปอะไรทิ้งไที่มันมีอยู่ แม้แต่รูปร่างกายท่าสีการหานคือจะต้องทิ้ ง, งเกิดเผาถึงมันหายหมดไปหรือแด่โครงกระดูกจนไม่เหลืออะไรผมขออยาอธิบายภาพตป็สามภาพภาหนึ่งต่อมาสามเม่เราไปฟังมาแล้วเราลอไปทุนดูว่าภาพเป็นหนึ่งเกิอะไรสองเกิอะไรสามเอะไรนนี้ภาพเปสามแล้วออกก็คือนอกโครงกระดูกนี่แหละเมื่อเลยเด็โครงกระดูกก็นั่นแหละคือตัวจีก็เลยต้องเข้าใจว่าสุดท้ายจริงคือ ที่นี่เราคิดว่าทำเพืออะรเอาเพระอะระเอาปถานมันก็มีอะไรนึ่งมีกระโดกขึ้นดินตัวท่านติดเห็นติดเป็นรูปเป็นรางส่วนอื่นๆไม่มีแล้น้ำไฟลงม่มีมันก็คือธาตุในร่างกายของเรานะแต่ตัวที่มันไปนามาทำก็คือจิตจิตที่มันผสมด้วยสัญญาวิจนาสังขารยินยันอยู่ในนัน้นมันติต่อเรืไม่ได้แ ต, ต่เป็รูปร่างกายนี้ แต่แล้วแต่รางงปัจจุบันเพื่อเข้าใจไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันะปัจจุบันเราคิดอะไรพูดอะไรทาอะไรให้มีสติตบกล่าวว่าตัวนนะสติมันมีแต่มันน้อยไม่ใช่เรามันมีสติะสติที่แต่ที่ขอที่มันดีกว่ามันน้อยมันใช่ไหมถามปัญญามีมีแต่ปัญญามีน้อยสมาธิมีไหมมีแต่มันมีน้อยศีลเรามีมี เป็นบางท่างบางครเมื่อตอนนีงแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องไปสนใจวองคุณเรื่องเรื่งเรืสินไม่ต้องไปไปตกกังวลเหมือ น, นตอนนี้แม่ข้าเช้าเราไม่ได้สมาทานศินเหนื่อยรักสินมาช่วงตอนค่ำภาคค่ำ ม, ม, มานั่งปุ๊ทันทีเนี่ยจาให้ไม่ทําร้ายไม่ทําลายกันว่าจะไม่ทําร้ายไม่ทําลายกันนั่นก็เป็นสินทันทีเลยในทางปฏิบัติ ไม่ต้องไปกังวลสีลไม่พัปฏิบัติ ง, งา่ายไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายอนนี้จบเพิ่งเลยเริ่มตจากศีลที่เหลือคือสมาธิคือมันค ง, น อ, านงนอารมณ์มันคงอารมณ์ไหนอรมปัจจุบันปัจจุบันเราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรเป็นอย่างไรดูปัจจุบันปัจจุบันทานั้นทีสอนให้เราเปลีป่ยนแปลงตัวเองได้ส่วนอดีตไม่ได้พร้อมจบไปแล้วอนาคตยังไม่เกิด ตื่นเลยพบชาติกันมือนกันให้ดูพบพอดูชาติให้ดูวัตฏสงสารในตอนนี้ให้ดูนรกดูสวรรค์โดนิี่านปัจจุบันวเดีโอนี้เรานี้ขนาดนี้ให้เห็นในปัจจุบั น, นหรือปัจจุบันอะไรท น, นรกได้เห็นตรงนี้สวรรค์ให้เห็นเป็นี้ว่านารกกับสวรรค์ต่างกันยังญี่ปานต่างวัตฏสงสารบนไปเดียนมามันเสือเตจันคืออะไรเราคิดเหมือนเดิมไหม อาหารเหือเดิมเมือนข้าปลาอาหารทกสิ่งก็วนไปเรียงไงเดยกกลับมาที่เดิมอีกมันไม่มีอะไรใหม่ๆอาหารเดิมไม่มีวเดียววัฏฏะเดิมวนวนอยู่ในวัตตะสงสารอีกช่นนี้เราตอนจากกิเลสเกสิ่งที่ทําให้เกิดการกระทําขึ้นมาเมื่อมีกิเลสมีเชื่อปราก็มีกรรมคือการกระทํา การกระทำเคยจะต้องคิดกคมพูดแ่ในวัน ก, รกรรมเมื่อมีกรรมคือการกระทำมาหรืปากระหรือวิบา ก, บากแปลว่าผลของการทำมันก็มีทําดีมจะเป็นผลดีทดําไม่ดีเป็นทีมันก็จะวนไปเรื่อยๆแต่อาจจะสงว่า ผ, ผลของกรรมนีและกรรมนนรไดีทั้งหลายจะน้นพวกเราเองน้นไปทางไหนทาบวกมันก็เพิ่มทางลบมันก็ลดลดทุกอย่างที่มีอยู่ลดความเป็นคน เป็นคนอยู่แท้เตจิแจมเป็นคนไม่ได้เป็นคนไทยเถึงมนุษย์เป็นพระสูงไปกันนั้นเป็นไม่ได้เป็นได้แต่ร่างกายสูงไปกนันันไม่ได้พัฒนาไปกันนั้น็ได้แต่ร่างกายกแต่ถ้าเป็นคนกตจิใจเป็นไม่ได้เมื่อจิแจมเป็นไม่ได้เตจาแจมน้ำเพศคนต่อไปมันจะเกิดเป็นจิตได้ขึ้นิดออกจากร่างเมื่อ เป็นข้างใดจะว่าคนจะแจงารก็ใช่คนนั้นจะเป็นอะไรนั่นคือที่ไปที่มาว่าทาไมพบภูุของพวกเขาเหล่านั้นเยอะแยะมากมายปัจจุบันก็เพราะอั น, นในขณะที่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ที่เราจะมาสร้างเสริมบารมีให้มันเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ทำแต่ถ้าที่เวลามันก็ไม่ได้เยอะแต่เปรียบเทียมกับพบอื่นที่เขามีอยู่ เวลามันเทียบกันไม่ได้เลยอายุร้อยปีของเราเทียบกับผูเขาไม่ได้เลยขเขาแค่แล้วแต่ฉันไม่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันอายุของพวกเราเวลาเคลื่อนไหวมันเยอะมันไม่ได้เยอะก็เหมือ น, นเราเห็นผู้ยุงอยู่มั้ง ไ, ได้อยจ็ดวันมีชีวิตอยู่ได้เจ็ดวันแต่ดูโลกมันไม่ได้ยาวนานเลยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ที่เขาคิดว่ายาวนานฝั่งโน้นตอนนี้อยเก้าสิบมันจวนลมหายใจก็ง่ายมนีิดว่คาตายแเนี่ยจิออกจากร่างพอจิตร่างใส่เจก็เหลือแต่ร่างจิตมันก็ไปต่อแต่มันไม่ได้ต่างแล้วมันไปไหนถึงเราจะเข้าใจอาตอนนั้นว่าจะเออมันวนไปเวียนมานตอนนั้นทาอะไร ไ, ได้บนะ้าแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้ามันยังคิดวนที่เดิมเราปรับได้เดือนได เหมือนเดิมปรับได้พูดเหมือนเดิมปรับได้ทำเหมือนเดิมปรับได้พวกงานก็แก้สังขารมราได้ถ้ามันเป็นนรกอยู่เนี่ยมันร้อนมันรุ่มเพราะอะไรแกได้ทำเป็นสวรรค์มันเป็นนิพพานได้ก็มันดับได้ถ้ามันเย็นได้อยู่ท่เราเนี่ยน้ำอยู่ดีๆจะให้มันเย็นก็ได้จะให้มันร้อนก็ได้เห็นไหอยากได้น้ําให้มันร้อนเอาไปต้มมันต้็คืออะไรเอาไปเผาแต่ประชาชนงานก็ไปเผาเหมือน พวกเนื้อหนังบางส่หลานแหลกคไข่ปูปางกเรียกว่าเผาหรือเอาต้มหรอเอาแกงเรียกว่าทอดแรงเลยก็ทให้ร้อนเสจแล้วมันก็จะสุกจากดิบๆอันจะกาเป็นของสุร่างกายเราเมื่อนักันจากร่างกายดิดๆให้มันสุกมันต้องไปเผาเผาด้วยเาด้วยควยามเพรียอาตาตีอาตปีแปลว่าพอเพียงอย่างเดดให้ร้อนเหมือนกัน มันต้องร้อนก่อนมันถึงจะใช้ได้ต่างกายเหมือนกันแอ้ดิดเด็มันใช้ไม่ได้ใช้ได้มีประเภทเดียวที่กินเด็ดแต่เราไม่เรียกว่าคนเพราะกินกันเด็ดเด็เข้าไม่ได้ปิ้งเม่ได้ย่าไม่ได้ต้มไม่ได้สะสมไม่ได้แปรรูปเป็นอย่างอื่นกินด็ดเด็ทั้งเรื่องกระชูเดือนที่เกี่ยวกับข้าวไม่เกี่ยวกับหวานหวานเค็มเราได้กินกันเด็ดเด็ดอย่นคนด็ด จิตของเราถ้ามันติ็ดมันไม่สุขมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าจิตมันไม่สุขต้องทำให้จิตมันสุขก็เผ า, า, า, าตัวอย่างมา้องเผาพวกมันตอนน้าเมือนกันเอย่าให้มันร้อนก็ออกเอาไปเผาด้วยวิธีการเ ป, ปิดืนเปิดไฟเปิดฟ้แฟาแก๊สธรรมชาติแล้วแต่ถ้าอยากให้มันเย็นก็อย่าไปพอมันตัดออก ฟืนเดียมันหมดมันดับน้ำที่มันร้อนแต่มันก็เย็นลงโดยธรรมชาติของมันจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันร้อนมันเย็นมันร้อนมันเย็นแต่เราบอกไม่รู้พอเราค่อยเจาะในขณะใดมันร้อนมันร้อนที่ต้องทําอย่างไรบางทีมันร้อนจะไม่พอเราไปเพิ่มความร้อนในกันอีกคนหนึ่งมันก็ร้อนอยู่แล้วโศกโปรธรุสร้ายมันร้อนอยู่แล้วเราไปเพิ่มความร้อนในกันอีก แทนที่จะคนหนึ่ร้อนคนหนึ่เย็นก็อย่างน้ อ, อยมันลดลงร้อนกับร้อนเกิดอะไรขึ้นมันก็เพิ่มเป็นเข้าสูัวงไฟกับไฟเกิดอะไรขึ้นพตอะนั้นเวลาไฟไหม้มันจะบอกอะไรเราทุกอย่างชัดเจนนะนะเห็นไหมบางทีเราไม่เห็นวนะ่าเป็นลมถ้าไฟมาลมมาจากไหนขึ้นมาด้มันอยู่ด้วยกัน่ะดินน้าไฟเลมมัอยู่ด้วยกันแต่พอว่าอยู่ในร่างกายตัวเรา มองเมื่ออกว่ามันเป็นน้ําตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นลมตรงไหนเป็นไฟตรงไหนในตัวเราเนี่ยเพื่อท่าทั้งสี่ะขาบอกไม่ออกแต่ถ้าเป็นห้วยน้องคลองบึงเขียนรู้ว่าเออมนเป็นน้ําเป็นหนองน้ําเป็นทะเลเป็นห้วยเป็นคลองเออรูประวังเป็นน้ําน้ําดินเป็นเช่นเดียวกันลมก็เช่นเดียวกันลมนั่มีตัวตนแต่มันมันสัมผัสได้มันกระท่าแตเรารู้ ว่าเป็นนมแต่พออยู่ในตัวของเราเนี่ยเนื่องจากมันสามัคคีกันที่มันสมดุลทางร่างกายแล้วมันสมดุลร่างกายมันพอเหมาะแลบอุณหภูมิพอเหมาะมันไม่ร้อนมันเย็นแต่ว่าอุณหภูมที่มันอยู่หรือว่าไฟที่มันอยู่แล้วถ้าไม่มีไฟเข้าปลาอาหารที้เรากินเข้าไปฝังไม่พอดีพอผ่านมามันจะฝังร่างกายของเราไม่คิดว่าอบอุ่นคิไม่ฝัง น้ำมีอยู่น่าจะเยอะกว่าพื่้นพื้นอยู่ทั่วร่างกายเอื่นน้ําน้ําลายน้ําเหลืองเลือดหนองคนนี้จน เ, เวียดนามน้ำหัวน้าตาอยู่ในตัวเราอะไรคือธาตุที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนไม่มีธาตุน้ำดินน้ำไปล้องสิ่ที่สำคัญคือลราผ้าธาดตัวนี้ ตัวเดียวสามตัวอยู่ไม่ได้คือเดินน้ำไปอยู่ไม่ได้ปัดปืน ค, ค่อยเย็นไม่ได้ัดไปค่อยเย็นลงเย็นลมกอนมันจะไปทัดน้ําออกสุดท้ายถัดลมไปก่อนเวลามันคนคนออกถ้าลมออกจากล่างก็ไปก่อนนะมันจะไปเป็นตัวแรกโบลมมันในขาดลมเมื่อไหร่ก็ไป ส่วนดินก็จะอยู่นานหน่อยส่วนน้ำเมื่อหมดลมไปแล้วต้องค่อยๆขับออกที่มีอยู่ตามช่องทางเรือถาวรมันก็จะไหลออกไปทางถาวรไฟที่มันอยู่ร่างกายมันก็จะเย็นลงแล้วคนตายมัน เ, นเย็นประจับอยู่รงไหนมันเย็นเย็นเย็นท่เย็น เ, นเนหมืดคนตายเราพูดกันเรื่อยๆถ้าทางสีไม่มาสาไ ม, ม่เขีัฐฐนะนนะวัติธาตุนะวัติขัน เดียว ก, กองกองกองคือ ร, ครูปเวทนาใจในสารอย่างที่มันเคยอยู่รูปวันนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วรูปอื่นคื อ, าาคอธาตีสีน้ำก็คือเวทนาใจญนสารพินยางภาวนาให้ก็ใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเร่งไปอย่านี้เราวิธีอ่านตัวเองภาวนาเริ่มต้นอยังไงเริต้นอยังไงแบบจะไปอ่านตรงไหนตัวใจนี้แยกออกว่านามโลก ผู้เจ้าของชาวบ้านกำหนดรูปกําหนดนามเขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงเขาัปิดยังไงตั้งยังไงเขดับไปยังไงเมื่อเราแยกรูปยานามออกเลยก็จะเอารูปดีหรีอม่ดีอันั้นคนที่ขับภาวนาเป็นเบื้องต้นคำว่าภาวนาเป็นหมายถึงจิตสงบครั้งแรกอาการแรกที่เรารู้เลยรู้จากข้างในรู้ยังไงไม่รู้ใครบอกมีใครบอกมีใครรู้ แต่มันเป็นความรู้ขึ้นมาทั้งในว่าอมัดกายดีมีจิตดีอย่างเช่นมันจิตมันสงบจนเรื่องซึ่งตอนมันสงบมันรมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยมันนม่รมันได้รับรู้ข้างนอกเลยแต่พอรู้ตัวครับมันเลี่ยมแล้คนนอนหลับอินแล้วมันได้พักนิดมันออกเข้ามันเองแต่ถ้าคนที่ชำนาญะค่อะไรถามแขนเล็กขึ้นมามันก็ถอยออกมาแล้วมันอยู่ในระดับคืออุปัชฌาสมาธิคือรับรู้ข้างนอก ตัวอปนามันลึกมันได้กำลังมันก็จะท้อออกมาเรียกขันอุปราชะอุปราชะก็อะไรภาษาคือกระทบมันก็จะเกิดหลักอวิชาปัญยาทางทางรางแล้วเพราะสิยงนี้เกิดเสียนเกิดมันก็ไปตามตำราะนะัแต่ถ้าพูดตำรามันจำยากเอาแคนแค่คนดลมหายใจจากมันลึกมันละเอียดเแหละแค่คนดลมหายใจาาก็กลับกลับเหมือนเดิมมากลับมารู้ตัว พู้ช่วยเสมออันนี้การรู้ตัวนะจากที่รู้ตัวจากตัวรู้รู้ตัวก็ตัวรู้มาคนละตัวคนลเรื่องตัวรู้ท่านอะไเป็นตัวบอกว่ามันจะมีตัวรู้คือพูดถูพดโรแบบพูดรู้พู ด, ดบบตื่นพูดเบิกแต่ใครยางทำไม่ได้จริงจริงไม่ชอกก็ไม่มีพูดถูพระพูดมันด้แปลว่าพูดเธเจ้ามันด้แปลว่าคําบรร้คำเราจะเข้าใจว่าเออพูดถก ร, รม แต่ถ้าเราเราไปยึดเอากาเ น, นบอกว่าการภาวนาพุทธศานาดีที่สุดหรือสายอื่นก็การภาวนาอย่างนี้ยู่หนอฟังหน่อดีที่ ส, ด ส, ดสดุดการภาวนาสมาธุดหรือมโนมิจฉาทิฏฐิมนภาพะนั่นแห แ, แต่ไม่ต้องการกรรมบเรกกรรมเพื่อเป็นกุศโลบายจิตของเราสอ ง, งอบเมื่อเราสา ม, มาธิมาฐานส่วนที่ปันสสากรรมฐ า, านต้องยอกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นให้รู้ ตามความเป็นจริงแล้วก็วางเอาอรมณ์นั้นาตามความแล้วก็วางไปตอนนี้เราวางไม่ได้แล้วอุเเกขดไม่ได้คือเราวางอารมณ์ไม่ได้ต่อพักสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่ว่าวางไม่ได้ก็เพราะเราเป็นไปยึดใจติดอุปาทานคือจิตมันไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้ไปเกาะสิ่งเหล่านี้เกาะแล้วมันวางไม่ได้เหมือนเราเห็นเป็นอย่างวางแลจริงแต่เราเห็นไม่ได้อันนี้คืออุปจรกรการปัญหา อุปสรรคขงการภาวนาอย่างนี้เห็นแล้วก็ไปติดก็ไม่แปลกเพราะเรามันไม่เคยเห็นพอมาเห็นมันก็ตายเป็นว่าของแปลกของใหม่เสียงที่ยินเหมือนกันแต่พอได้ยินของแปลกของใหม่มาเราไม่เคยเป็นมาก่อนปิติมันเกิดมันไม่เคยเป็นมาก่อนมันเกิดปิติขึ้นมาสุขะคสบายมันไม่เคยเป็นนี่นะมันไม่เคยวางอารมณ์ได้มันเคยนึกได้ไม่เคยทำได้ กับปิติใหญก็ไม่แปก็สัว้ปิติได้เพราปิติอันนี้อยู่สวรรค์ชั้นสูงก็เอาเนี้ยเป็นอารมณ์เป็นอาหารเป็นเครื่องอยู่ด้วยปิติมีปิติเป็นอาหารสมัรถหล่อเลี้ยงร่างจิตใจเขาได้เพราะร่างกายก็ไม่มีอย่างเรามีรูปที่มันตำราตัวว่าเป็นรูปตนนี่เองแต่ร่างกายที่หยาบใงเรามันไม่มีตัดไตเส้นพุงอย่างพวกเรามป้อนเข้าปากออกทางทวารไม่มียงเรา พวเราเขาจึเข้าใจเรื่องทุกเรกื่อยากมากมากไม่ยากธรรมดาเข้าไปสุขคือสวยไปสวยอารมณ์ในสิ่นอนนะั้นซึ่งต่างกับพวกเราพวกเรามีทุกอย่างแต่ไม่เข้าใจแต่ที่สำคัคือเอาทุกอย่างเลยสุขก็เอาทุกข์ก็เอากกเฉยๆอารมณ์รู้จะเอาอะไรกันแน่อะไรที่ควรเอาอะไรที่ควรละอะไรที่ควรทิ้งอะไรที่ควรทำให้ดีให้เป็นให้ประสบ ให้เพิ่มให้มากให้ลดไม่รูน้นี่คืเรือ่มอมโมหะโมหะมันเกิดทําให้เราหลงปิดบงังไม่เห็นมองไม่เห็นจริงหรานี่นเป็นอวิชชาตัวหนึ่งคือทาให้เราปิดบงังไม่เห็นก่อนหรอนี้เหมือนกับเราไม่เห็นความม่าเกิดแก่เจ็บตายเราเราก็ไม่เห็นว่ามันมันเป็นโทษเป็นภัยยังไงมันก็มีกันทุกคนอนะเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วไงตายลงไปไหนรอไปต่อไม่ได้ เพราะนั้นเอาแค่เกิจะตายนะแต่ยังไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจไม่พอคือยังปรารถนาที่จะเกิดแต่ไม่อยากเกลดอยากเก็บไม่อยากตายเออไม่เรื่อแปลกมันเปรื่อแปลกกินน้าร้อนก็ไม่อยากร้อนมันได้เลยเสียบปลั๊กก็ไว้เพนไม่อยากให้มันร้อนอย่าเอาร้อนอย่าไปเสียบปลั๊กอยาไปผอวันเพราแค่นั้นนหะมันคืออย่าไปเอาอะไรไปเผาใจมัน ใจมนปกติเขาอยู่เฉยๆเราไปเผาเขาก็ร้อนขึ้นมาครับร้อนเสร็จก็ดับไม่ได้ดับมันพอจะไปเติมเชื้อเติมฟืนเติมไฟก็ได้ประคํามโมหะประความไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจหลักการเนี่ยโอเหรอร้อนแล้วเข้าใจวเออมันแยออกกายใจสองคำเป็นกรุ๊ปน้ำเราจึงจะกําหนดได้มงั้นเราจะกําหนดอะไรกาหนด ก, กาย กายกายหาบกายละเอียดคุณหรดทงไหนประโย ก, กายนอกประโย ก, กายในก็คือกายในกายที่เราเห็นคือกายกายยาแต่กายในกายโตยังไม่รู้มันมีกายในกายซ้อนอยู่ข้างในเรียกกายละเอียดคือเราฝันนั่นแหละกายคือรูปคือรูปที่จะเจอเพราะฉะนั้นตัวนั้นที่เราไม่เข้าใจตัวที่เรายังไม่เข้าใจเอาแค่รูปหยาบ คือายาบเนี่ยเรยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยสุดท้ายเราก็บุงคนเปรอดูแลมันอยางดูตามมันตลอดมันหยาบก็ติดอะไรตามทำไมได้มันแก่ก็ไม่อยากให้มันแก่ไปตกไปแต่งไปดึงไปเชื่อมันผมก็เหมือนกันธรรมชาติของเขากําลังจะบอกว่าเออนี่คือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป๊ะๆทำไม่ได้มันไปย่อไอะไรไคือหลอกนี่คือหลอก เราตัวเองว่ามันไม่เกิดไม่เกินไม่เจ็ไ ม, เไม่ตายประมาณนั้นเราก็จะต้องจะทําอย่างนี้ก็ไปเว่าเราทําตรงตามกฎกเจ้าและเมื่อเราถึงวเจารวุธทงสั ง, งก็จะเป็นพื้นพังสันนิษฐานก็จะนีพระธรรมเปนหลักธรรมชาติเป็นพื้นสังฆสันงสษฐานก็เป็นพระสงฆ์งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วได้ผลแห่งการปฏิบัตินั้นนั้นพลังงานคือ ผูที่อ่านหนังสือเรื่อนี้จบแล้วท่านกลับมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นอย่างนี้นะเริ่มต้นเป็นอย่างงี้นะตั้งกลางเป็นอย่างนี้นะจบเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันหมดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่อยู่โซนไหนของโลกก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยอาจจะเรียกเรียกชื่อมัเหมือนกันตอนนั้นเองแต่อันเดียวกัน ความหมายเดยวกันไม่แต่กต่างเพราะฉะนั้นธรรมะพระอาจารย์มันไม่ประกอบไปการบอกเวลาในปัจจุบนที่ตอนรู้กบกลเราใครทำใครได้เป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าเชื้อชาติใดก็ตามสภาวะจิตมันเป็นประจิตมันไม่เคยมีเพศหยิกไม่เคยแยกว่าอะไรเป็นอะไรแต่พวกเราโชคดีเลยมันอยู่ในสภาวะที่มันเหมาะสมทุกอย่าง เราจะเป็นอโต้ฤดูเพราะเราถือว่าโชคดีอย่ดได้ทดั้งคื่นาก็ไม่มาเดีกก็ต่อมาฝนคนก็ร้อนร้อนก็บนนี้ไปไปแต่พูมิภาคอื่นไม่ใช่อย่างเราร้อนก็ร้อนจนไม่ไปไหนไหนาวก็หนาวจนติดลบเหมือนเย่มกเอเข้าไปในตู้เย็นทําอะไรไม่ได้เพราฉะนั้นพวกเราถือว่าโชคดีในขณะเดียวกันคือความเข้าใจชีวิต ยังมีคูณแนะมีผููน้ำในทางจิตวิญญาณคือพวกไงคืออาจารย์แบบ อ, อย่างนี้นะอย่าไปหลงทางนะหลงมาแล้วกลับมาทางนี้นะทางนี้เดิทางที่พระเจ้าบอกพระพุทธเจ้าก็เดินทางนี้ให้พวกเราเดินตามนะแต่เราไม่ตามท่านกันแนะแล้วท่านกันนำแล้วหลากแล้วจูงแล้วไม่เอาเข้าป่าเข้าป่าเข้าไปไหนป่าคือการมาคุณ คนที่ยังพึ่งพาการมคุณอยู่คือรูปเสียงที่เราปวนตาสามอารมณนั่นแหละคือการมคุณนั่นแหละคือป่าป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พวกเราหลงกันอยู่หาทางออกมีทางไหนป่าหลวงพ่ออยากดึงออกมาเส้นทางคือทางเอกคืทอทางซ้ายเดียวไม่มีทางอื่นแล้วจไปไม่มีทางลัดไม่มีอย่างเอามาทางนี้มาให้ถูกทางก่อนมาถูกทางเสร็จแล้วไปนะ แต่าหยุดสวนเร็วช้าไม่กป็นไรไม่รู้ปกติขอให้เดินต่อไปเรื่อยๆคือดำเนินเดินเอาปฏิปทามันการดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้อย่าไปโย่อย่อยอยไปชมนกชมไม้เสียเวลาเพราะว่าเวลามันก็ไม่ได้เยอะมันมีแค่นี้มันไม่ได้เยอะไปกว่า น, นี้ดันั้นเวลาที่มีอยู่เนี่ยบางคนยังไม่ถึง ยังไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้วลืดมตาดูโรกยังไม่กี่ปียังไม่ถึงปีไปแล้วช่วงหลังแต่พวกเราถือว่ามาถึงขนาดนี้แล้วถือว่าโต ด, ดีมากผ่านมาหมดแล้วด้วยอย่างเดียวตัวเนี้คือกําหนดกำหนดรูปกำหนดนามนี่ให้มันได้ ว, วันทุกวันเห็นความแตกต่างใน แ, แต่ละวันมันบอปูดเปรียบเทียบสมมว่าคนที่เข้ามาบวช นิทานศาสนานี่คือให้เห็นความแตกต่างให้ได้ระหว่ังว่าชาวบ้านกับชาววัดแตกต่างกันอย่างไรมันก็การอยู่ชีวิตตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนกินเดินทําพูดคิดมันต่างชาวบ้านยังไงแล้วเราเจอนี่ความแตกต่างเราบางโลกกับธรรมคือธรรมคือธรรมขอทหารธรรมกับธรรมะนี่มันต่างกันยังไงเราจะเห็นว่าเราจะเลือกอะไรตัวเลือกทําเอาหรือทําทิ้งมันต้องทิ้ง ก็สุดท้ายจริงๆที่เราเรียกว่าเอาเอเเรวาเราได้สุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรมันก็เหมือนกับทิ้งแหะแต่เราไม่ทิ้งแต่ทีแรกประเด็นคือเราไม่ทิ้งแต่ทีแรกเพราเข้าใจว่านั้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเราเราเพึ่งได้พึ่งพาได้ือปัจจัยสุดท้ายไม่ได้สักอย่างสิ่งที่หามาชี่พึ่งไม่ได้สักอย่างแม้แต่ตัวเราเองญาติพี่น้องพ่อแม่ผูยาตาหญ่เพื่อนผู้สามีภรรยา ตปแล้วพึ่งอะไรกันได้ไม่หาทุกคนก็ทิ้งหมดอ่ะก็กลับมาที่เดิมถ้าเราไม่เคยฝาดไม่เคยหัดทิ้งเลยจะเอาเอาเอาเอาแล้วเข้อเจผิดัวมันได้คือเพึ่งผาได้เอาข้อเจงมันไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่จิตที่เป็นกุศลอกุศลนั่นไปตัวอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดา น, นอะไรมาจุดตรงนั้นถ้าเรา ไม่หาอรยทรย์เพื่อไปที่ประกาศตัวเองจะมีอะไรไปทำตัวต่อข้างหน้าไปนั้นตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าเกิ ด, ดมาชาติใดครั้งใดก็ตามขอให้พบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์ที่ดีย้ำว่าเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแน่ได้นำได้สอนได้ขออย่างเดียวเราอย่าไปหลงทางสำคัญมากมาก ถ้าหลงทางและเสียเวลาเสียอนาคตที่ผ่านมามันเสียเวลาแต่เนี่ยเรารู้เห็นห ร, รู้แจง้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเปลา่ามืดบอดมีดยู่ความคาดหวังว่าอย่างนั้นอย่างนี้ย่างโน้อนก็ จ, จะเป็นอยู่ความคาดหวังรู้ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานเลยขอให้เจอครูอาจารย์ที่ดีที่ดีคือปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ พวกไม่ลงทางคือมาถูกทางไปถูกทางอย่างเนี้ยราจะไปได้ไกลไปได้เร็วไปเจออะไรก็ไม่รู้สารพัดเหมือนทุวันนี้เราเสพเสพเป็นไปเป็นทุกวันนี้อยู่ทางกงนไหนท้อกันกลับมาเราเข้าใจว่าคิดว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อพระเจ้าต้องเอาพระเจ้าเป็นหลักนะพระธรรมเป็นหลักนะขอพระอริยสงฆ์เป็นหลัก อย่าเอาคนกินเลสเป็นหลักเอาพระสมมติเป็นหลักไม่ได้อันนี้คือหลักการพอเราเจออย่างนี้แล้วเราก็ควรจะตัดสินใจแล้วว่าอืเราจะต้องใช้ชีวิตยอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรก็ปฏิบัติตามพระเบบีวจัยยนที่แนะนแล้วก็ น, นําให้เราดูเป็นตัวอย่างปฏิเสธได้ทําได้อนาคตจะมีน้อยลงน้อยล ง, ลงเป็นอย่างนี้มุนีพุธทธะทำไงนะเราคนนี้ถามว่า มรรคผลนิพพานมีไหมมีแต่คนที่จะประสบมรรคผลนิพพานเหมือนที่ยกปัจจุบันหรือต่อไปแ่ะมันจจะมีน้อยลงน้อยลงมากมากเพราะนั้นเรามีอยู่ตัวโชคดีแล้วตั้งจิตตั้งใจอาติฐานให้มั่นคงเลยว่าขอให้เกิดอุศาสนาเกิดในประเทศ ด, ดีๆเจอครูบาอาจารย์ที่สําคัญคืออย่าหลงทางเดินทางผิด มันก็จะเสียเวลาไปอีกชาติหนึ่งไม่ใช่ดัมมานดัเสียเวลาเป็นชาติเลยนะาชาติเองจะไม่ได้อะไรเป็นบางคนเกิดมาแล้วไม่ได้รับรู้อะไรเลยเกิดเจ็บแล้วก็ตายเนะนี่ยเาเสียชาติคือเสียกันเกิดเฉยๆไม่ได้เหมือนกับการเกิดก็สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนจางมวะโวไกรก็เกิดเหมือนเราแต่ความดีไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยมีอันตรายนะยนจิตที่มัน มันหยาบช้ามันต่ําแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันตรายอันตรายอะไรเพราะฉะนั้นพวกเราถือมโชคได้แล้วที่มาเรีรับรู้อยู่นี้ม enfin ันเจอครูอาจารย์ที่เนี่ยได้าสอนได้ฟังได้อาจารที่ดีจะถือว่าอนามัยศานาพวกเราทุกคนที่ไหนก็ได้แต่เพราะอาจารย์แต่เนี่ได้นักดาสอนได้นี่มันกันหมดไม่ไเรื่องบุคคลไม่เรื่องสถานที่มันธรรมะไม่เกี่ยวกับบุคคลไเกี่ยวกับสถานที่ม่เกี่ยวกับเวลาได้หมด ขอให้เจอคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะเป็นผู้ไม่หลงทางเมื่อเราไม่หลงทางเราก็ไปได้เร็วไปดีดีพบชาติที่มีอยู่ก้างนาอย่างน้อยที่สุดมันก็จะสั้นลงหมายก็ว่าหนทางเส้นทางเดินที่ไปเป้าหมายข้างห น, น้างแล้วมันก็จะสั้นลงเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นหรือแม้ยังไม่ถึงเป้าหมายแต่เห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายเราเป็นอย่างนี้ แต่จนกรงทั่งมางคนหลงเข้าป่าละหมดเลยมือนบนอุนาการทุกอย่างมืดมองไม่เห็นอะไรสุดท้ายคือใจมันมืดแล้วต่อให้ตาดีกด็อะไรไม่เห็ น, นเพราะใจมันมืดเพราะนั้นเราจะให้ใจมืดใจบอดเรียกว่าอัตภันอันทะพาละทังมืดทั้งบอดทั้งเขาทั้งอ่อนนันคืออัตภันก็หมายก็ว่าอัตภันถ้าอะไรจะเป็นอัตภันอะไรก็จะเป็น เราขอให้เราทั้งหลายได้ภาวนาแล้ว hmm. ร right. ู้แจ้งเอนจรตามความเป็นจริงนั่นแหคือธรรมชาติเราก็จะประสบผลสำเร็จในการเจริญภาวนาสำหรับเราขอให้เราทั้งหลายอย่าทิ้งภาวนาที่ไหนก็ได้วันไหนก็ได้ให้เจริญภาวนาทุกวันเจริญจิตตะภาวนาในทุกวันมันเจริญทุกวันได้มีทุกวันเป็นพระบภาวนาคือแปลว่าเจริญเจริญคือเจริญอะไรเจริญสิน ดีขึ้นมันนองขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญาเพิ่มมากขึ้นนี่คือคาว่าเจริญนี่คือคว่าภาวนาถ้าทําละเสียนี้ไม่เกิดขึ้นไม่เพิ่มขึ้นก็ประเช่ ว, วาภาวนาไม่ใชื่อว่าเจริญกต่เท่าเดิมก็ออยังดีกว่าขาดทุนแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยขาดทุนเป็นผู้ขาดเฉะนั้นถ้าเราไม่อยากขาดทุนก็เดินทางเส้นนี้แหละไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าถอยมากน้อยไม่เป็นไรเดินต่อไปดี ป้าหนึ่งข้างหน้าป้าใบเดือดว่าเอาไว้ทือผู้ชาเจือชี้เอาไว้ป่าเไว้โลกก็จะเห็นชัดขึ้นมาเป็นมากเต็มตอนนี้ไม่ร้ประสบความสร็จในการเจะเรียนแบบตวนาเจริญแบบโลกเจริญแบบทุกอย่้งโลกไปเจริญแบบเลยอยู่ทั้งทางก็เจริญแบบทางขอให้เจริญทุกวันขอทางด้านและมีความสุขควรเจริญทางต่างโลกและต่างามตุกเป็นทุกทันเจิญ